หูก็พระธรรมดึงานจมูกก็พระธรรมดึงานเลิ่นก็พระธรรมดึงงานตาก็พระธรรมดึงานใจก็พระธรรมใจนั้นละใจนีเป็นพระธรรมธรรมดูกัใจของเรานี่ยละถ้าธรรมไม่ดูก็ใจของเรานี่ยละไอ้ใจของเรานี่ขณะมันเป็นบาป ฆ่าคนก็ได้ฆ่าควายก็ได้คณะมันเต็บุญเอาถึงเอาทำคำส่งเสริก็ได้ก็พอทก็พึ่ใจไม่มีตามไปตามไปลานดอกเขียนแม่ตามไปตามมันตัวลืมให้เขียนลนที่กายกัใจของเราอนี้ละจังหวัดพมุญจาเรืองนารลจจะท่านทั้งหลายสงฆ์สาวุนัย โอรักษาสิ่งห้าก็พุทธะินในรักษาสิ่งแปดก็พุทธะินในรักษาสิ่งสุดก็พุทธะินในรักษาสิ่สมอยู่สุดุดก็พุพระดีในสิ่งห้าก็พระติเจ้าเทวดาสิ่งแปดก็พระองค์เทว้าสิ่สุดก็พระองค์เทวดาสิ่งสอยู่สุดจุดก็พระองค์เทว้ เรียกว่าสีล่าสมาธสมาคือใจของเราที่ตั้งอยู่ในศห้าตั้งอยู่ในแปดตั้งอยู่ในศิตั้งถึงสอรยี่ิเจ็ดถึง้านเข้าถแปดเปนไปถึงเจ็เป็นไปถึงสงรอยย่ที่เจ็ดเป็นไปถึห้านะตั้งเปียเหมือนเขนดิมนถแปด เหมือนต er ja, ้นกล้วยถ้นสุดเหมือนต้นอ้อยถึงทั้งร้อยทุกติดเหมือนต้นข้าวในเศรษฐะปลูกกล้วยก็ปลูกด้นจ้าปลูกอ้อยก็ปลูกดินไม่มือเดินปลูกกล้วยก็ตายอ้อยก็ตายจะปลูกข้าวข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ตามมันต้องปลูกดินถ้าไม่มีอเดินปลูกข้าวก็ตายถึงทั้งหลาย มือศูน้าเป็นเขา้าเขา้าถึงยห้าน่ะเข้าขาของเราสิเข้าแขนของเราสิหัวศูนย์ห้ากับหัวใจของเรานสิเวลามันรีกายกับใจมีขัตริย์พระพูดโขก็เกิดจากใจพระทำโมก็เกิดจากใจพระท่างโคกินใจเวลามันรี ไม่รักทรัพย์เข่าของเงินทองของท่านพระทุกภูเกิดจากใจพระธัโมเกิดจากใจพระทั้งโคเกิดจากใจอาภัมมิริ ญ, ญาวีออกบวชเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีไม่มีสา ม, มีัญญาก็พระทุกภูก็เกิดจากใจพระธัมโมก็เกิดจากใจพระทั้งโคเกิดจากใจอยู่ร่ำมานิไม่ก า, าวมุตตะว่า พระโพโิเกิดจากใจของเราก็คนพระธรรมโมก็เกิดจากใจของเราพระทั้งค็ค จ, จัดใจเยอมันลาไม่เที่ยวลาคำตายาพินต่อพระโพโิเกิดจากใจพระธรรโมก็จากใจพระทัมมะะท้งคง จ, จัดใจถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเอาใจของเราไปฆ่าคนก็เป็นบาลาทุกข เอาใจตระลักทรัพย์เดี๋อถึงเดี๋ยวทยำเอาใจไปประพทตินกามเหนือหักเรื่อเจ้ากรุหนักเรื่องปัญหาเอาใจทับปลื้ทมที่ปกด่วงไข่จะหนักถเอาใจจะเสพที่ลากระยาพิมหนักเรื่งที่มเามาการฆ่าทรัพย์พอพูดธห้เจ้าจะมาจะตามบุ ม, มาก็ตามโลกเขาฆ่าอยู่การรักทรัพย์ พุทธเจ้าเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามเขาลักจำอยู่การมีพืชมีพันธ์สามีพันยาพระโคดมก็เกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามมันเป็นพืชเป็นพันอยู่การกจ้ามูาส้สวัดพระพุทธเจ้าเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามมันคื้ปลอดอยู่การเฉดที่ลาคำชายาฝืนเป็นวัตถุขงังโลกเมื่อเราถือถือน่ย วีรมณีตายกับใจในขัตต์พระพุทโธอยู่นี ia, ่วีรมณีตายกับใจในรัตต์พระพุทโธอยู่นี่อยู่ที่ใจของเราในที่วีรมณีออกบวชรับศึงห้าถึแปดพระพุทโธเกิดจะกหัวใจวีรมนีไม่กล่าวมุสาวาตพระพุทโธเกิดจะกหัวใจไม่เสด็จที่ลาคชาญาติพระพุทโธเกิดใจ ใจนี่แหละท่านเรียกว่าพระผู้ศักดิธิใจนี่แหละเรียกว่าพระธรรมใจนี่แหละเรียกว่าพระสงฆ์พระผู้ศึกษาของเรานี่เมื่อเป็นโลกีงะใจย่อมเป็นธรรมดาโลกเฮ็ดบ้างถูกบ้า ง, างคนเราเหมือนกันนะ่ะฟังธรรมวั น, นี้เป็นอาหารหันต์วันนี้ไม่ได้หรอกมันต้องฟังไปหลายวันหลายทีซะก่อน กิเลสเป็นเจะขาดสดาันดานจะ็นเจ้าเท่นอุปทานเข้ายุทานได้มันเป็นมาอย่างนี้เ <c oughs> จ้าเล่เทศเป็นพุทธคุณขาดข่าวว่าพุทธาในใสติอะไราเรียกพระผู้เจ้ากายก้าใจเป็นพระพุู้เจ้าพธรรมมานนสติอะไราเรียกามาทำกายก้าใจเป็นสัทธามจั่งขาในใสติอะไราเรียกมาสง่์ กายกับใจเป็นประสงค์ลงมาที่หัวใจของเราในลาการพูดพาในสติพระพุทธเจ้าเอาขันท่าของตาของใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าธรรมมาใุสติเอาขันท่าของตาของใหญ่เป็นพระธรรมเจ้าส่างคานุสติเอาขันท่าของตาของใหญ่เป็นพระธรรมเจ้าได้เพื่อพุทธศาสนา การที่เอาขันห้าพิ้สเจ้าท่านเอาอย่างไ ร, รอ่ะท่าเอามาพื้นกายทั้งใจน่ะโลกขันเป็นพุทีหนึ่งวเวทนาขันเป็นพุทีสองทั้งญาขันเป็นพุทธีสามทังขานขันเป็นพุทธีสี่ดวงญาขันเป็นพุทธีห้าทั้งห้านี้แหะ ต้นเลนามสัญญาเรียกว่าพุท ธ, ธานิสติการลูกขันเป็นพุทธพระเทิเจ้าไม่ลกูกไม่พาลูกแต่ข่าศัพท์ลูกเป็นศินป์ลูกเป็นพุทธสองพระองค์มีทนาไม่พาทนาแต่ข้าักท์ลทนาเป็นถึงป์ท น, นาเป็นพุทธสามพระองค์มีสัญญา ไม่พาสัญญาเป็นประพฤติทงกรรมสัญญาเป็นสิ่งสัญญาเป็นพุทคือพระองค์มีสังขานไม่พาสันขันเป็นกามุสวาสสังขานเป็นสิงขันเป็นพุทห้าพระองค์มีลิญญาไม่พาลิญญาเป็นกินเหล้ายักคุลิญญาตาก็ไม่กินเหล้าโสดาวิญญาหูก็ไม่กินเหล้าคณะลิญญา จมูกก็ไม่กินเราชูห้าววิญญาณปาไร้เื่อก็ไม่กินเรากายวิญญาณตายก็ไม่กินเหลราเจ้าวิญญาณติดไม่กินเลราซึ่งได้นามสายงานเรียกว่าพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ผ่ากายก็ใจข้าทัพย์ใครจะมาถือเป็นพระุทธเจ้าถ้าพระองค์พ่ากายก็ใจรักทรัพโจลังก็เป็นตนไม่มีใครมาถือ ถ้าพระองค์ผ่ากายกับใจเสด็กรรมนักเรีนเจ้าทู้นักเรมสัญหาเขาลังเสียทุกบางถ้าพระองค์ผ่ากายกับใจสับปริดที่์ปดบวกสามเพลิถ้าพระองค์ผ่ากายกับใจเสด ท, ที่วารทศเจ้าิ่นนักเรีนที่เมาเราะมรัมณีตายกับใจในพระสัตว์เลี้กงพุทโธเมรัมณี กากับใจไม่รักทัพเรียกพุทโธเรื่องีกากับใจไม่มีโธมีเมียเรียกพุทโธีกับใจไม่กามุสวาเรียกพุทโธีกับใจไม่จินเรียกพุทโธมีพทโายในพุทธายนอกายใน็ใจ ใจที่บริสุทธิ์ใจไม่เป็นใบใจไม่เป็นบ้าใจดีใจงามใจสัตว์ใจซื่อใจมีศีลใจมีธรรมโทษโตรโธอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ใจของเราทุกคนทำโมโกตัใจสรางโมกตัวใจใจละเลิกว่าควาพุทธเจ้า ใจนี่แหละเรีย้ยงบุพพามใจนี่แหละเรีย้ยงบุพพงค์อา น, นี่แหละพูดภายในพูดภายนอกกดตาต า, ตาทั้งสองได้นามสางานเลี้ยงบอกพระผู้ให่เจ้ า, าตาบอดเสียพูดตาไม่มีพูดตาไม่สักตาไม่ฟังตาไม่ภผ่ตาไม่ไร่ตาไม่บงตาม่มีพูดได้แต่ตามนุษย์ เราท่านทั้งหลายพทธู้พุทธศาสนาพุทธในกุใจพุทธนอกก็าตามีเป็นองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองพุทธภายในใจบริสุทธิ์ใจมีทามใจมีศืวนใจมีธรรมพุ ท, ทธกอยู่ที่ใจของเราทุกคนทาโมกตใจ ท응ั้ใจใจเป็นเพื่อ <uet> พ <fixing truth>. ุทธใจเป็นเพื่อธรรมใจเป็นเพื่อสงฆ์อนี้หละรื่พุภายใพุทภายนอกพุโคกหูทำโมกหูทโคกหูหูเป็นเพื่อพุทธหูเป็นเพื่อธรรมหูเป็นเพื่อสงฆ์าูลวเสียพุทธหูไม่มีพุทธ หูกระซาวหูกระส่าหูมอกหางหูปุ่งตีหูมีพุทธไ <c oughs> ด้แก่หูมนุษย์เราท่านทั้งหลายผู้ถือ พ, พุทธศาสนาพุทในกุศลใจของเราทุกข์นอกกับหูนี่เป็นองค์ที่สององค์ที่สามพวกภายในใจบริสุทธิธ์เงียบใจเมตตาผลบริหาน ฐานที่ค้องใจได้เกิดพระเมตตาคุณสองใจมีกัณฑาพลหารฐานที่ความใจได้เกิดพระปุรณาคุณสามใจมีโมทุตรามลหารฐานที่ความใจได้เกิดพระมุตาคุณสีใ จ, ใ, จใจมีอุเบขามยหารฐา น, น, านที่สวาใจได้เกิดพระอุเบกขาคุณ เกินพร้อมกันเจริญธรรมะคือพระมารคสีเมตตาเตโตคิตเมตตาเจติญเพื่อนมนุษย์เพื่อนเติดเพื่อนแกรเพื่อนเทพบุตรอาวีระอย่าเป็นเดนเจมนุษย์ทะลุณาเตโตสงสารเจรินมนุษย์เพื่อนเติดมาร่วมทุกข์เร่องทุกข์อาพระญาประสานตุ ยาพยายามบัดอาฆาตโทรมิ่งจะแม่งกันมุขตาสุโศมีจิตอ่อหวานูเกิดกรร่อนยศให้เจ็าพระคุณเจ้าบิดดามมนดาเจ้าปู่เจ้าตาเจ้าอยากจะย้ า, า, ยายผู้เกิดลุ่มถึงลูกเป็นหลานถางที่รวมสถึงกอะไรกันอุตเขฆาพระโมยหัน จะทำํำกิจการวางจุดเผยเคดโคบอยู่ท้งใจของเราทุกคนทำโมกใจสรางโคก็ใจใจนี่แหละท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้าใจอันนี้แหละเรียกพระธรรมใจนี่เรียกพระสงฆ์อันนี้แหละเรียกพูดภายในส่วนพูดภายนอกพูดโคก็ปาก ทำโมกบปากช่างโคกปากปากตึ่นเพื่อพูดปากตื่นเพื่อทำปากตึ่นพื่อสมปากไม่มีพูดปากน้าบ่อปากน้ําบวยปากน้ําโซนปากหม้อปลาหายปากมีพูดได้แค่ปากมนุษย์เราท่านทั้งหลายพทษถือพิธศาสนาโทษในกติใจนั้นเพือ พายนอกก็ปากอัญญามานาันญาปาจายูเปล่ยนคู่กันออกสักก็ไม่ได้ได้เสือว่าพุทธาในสักติสักติตาลูจากโลกสักติหูลูจากเสียงสักติจมูกลูตลิกก้นสักติลิ้วลดสักติกายร้อนหนาวร้อนนักก็ไม่สมบายหนาวนักก็ไม่สมบาย ร้อนโอดีสง่ามมาถึมาป่าตืประทาซาชากาตือตกอยู่ในร้อนไม่ที่ร้อนเนลมตกอยู่ในน้ไม่ทีนนน่น้เป็นลมเวลาเมื่อขันห้าของเราร้อนเราจะเอาร้อนมาสี่ใจข้ามันหนาวเราจะเอาหนาวมาสีดใจร้อนให้เป็นธาตุไฟของชนิดามันดาให้สลาโอ นาวให้เป็นชาติน้ําของนิรรมันดาเย็นให้เป็นชาติลมของนิรามันดาลมเราไม่มีมนเขาเป็นอืน่นหนาเราไม่มีมนเขาเป็นอืน่นเกิดเขาก็เป็นอืน่นแก่เขาก็เป็นอื่นเกิดเขาก็เป็นอืน่นตายเขาเป็นอืน่นตัวอะไรตัวตาย ตัวขันมันตายตัวใจทุเลือดใจทุกประเสรใจไม่ตายเหตดนั้นเราตัวตายนะจึงเหตุเคาเหตุทั้งคนที่แตกของเราการโทดโทธทำโมสทั้งโขกใจดวงเดียวนั่นละ่ะมันเป็นกิริยาท่านนะพทดโทธเหมือนกับเข่าสารทำโมเหมือนกับเขาแท้ สังโคเหมือนกับข้าสทุบเป็นกิริยาย่อเข้ามะพร้าวลูกเดียวนะี่ละพุทธโคเหมือนเตีย๋ยวมะพร้าวทมโคกวลามะพร้าวสังโคชิ้นมะพร้าวเมือ่อจิดของเราตังามม้งพุทธโคทำโมสังโคอยนู่นั่นทึ่นี่ผมคาถาว่าอาชาปุลีสับุคลานิ ได้แต่บุคคลแต่เจพวกรักชาแต่ว่าแปดบุคคลก็แต่เจ็ดพวกคือใครพระโสดามัตเป็นองค์ที่หนึ่งสกิริสขามักองค์ที่สองอาณาขามัตที่สามอรหันตามัตที่สพระโสดาผลพระสกิริสขาผลอาณาขาผลแลอรหันตผลเป็นอริยบุคคลเศษ พอนี้จะเตืนหน่อยนะถ้าสูดามักตัวฐานะปริีตป็มักถ้าสูดามักตัวทีระปรณีติ็นมักถ้าสูดามักเนธมปะปรณนีเป็นมักถ้าสูดามั ก, กปัญญาปรินีติมักทงแล้วได้ผลประโยช รักษาลูนย์ห้าแล้วได้ผลผลมนตรธรรมะบวชกายกัปใจได้ผลปัญญาเปลมือความรู้ดีรู้ซึ่งผลเหิดนั่นผู้ตั้งยินิทานนี่ละสูดามะสุเดผลผู้ตัง้งยูศูนหา้ากับสูดามะสุเดผลผู้ตัง้งยูศูกับสูรามะสุเดผลผู้ตัง้งศูนย์ศึกกับสูรามะสุเดผล โทษตั้งศูนทั้งอยู่ที่เจิดกับโซดมักสุรศงนี่สามพระโสดถ้าปรามัตดใจฆ่าคนไม่ใช่โทดาใจนรกใจรักชิไม่ใช่โซดาใจนรกใจสุดท้มไม่ใช่โซดาใจนรกใจที่บกมันใจนรกใจที่เรามันใจนรกจะักกันึดอบายกระพตี ยที expenses, expenses, ่ไหนอยู่ที่กายของเราขาบานพพิตาไม่ขะสับพดโธอยู่ที่ใจตาไม่ลักษากรโพดโธอยู่ที่ใจตาไม่มีหัวมีเนื้อกโพดโธอยู่ที่ใจตาไม่คิดพดกโพดโธอยู่ที่ใจตาไม่คิดเล่ากพดโธอยู่ทีใจนหดชาตูฮาปนอยู่นี่ละ ข่าปลามักตาไม่ข่าสัตว์หูไม่ข่าสัตว์ดันไม่ข่าสัตว์ปากไม่ข่าสัตว์กายไม่ข่ากายไม่ข่าสัตว์โคดโคนี่ตาไม่รักษาหูไม่รักษจมูกไม่ักปากไม่ักกายไม่ักไม่ักั์โโคนี่ตาออกบวไม่วเียหูออกบว่วเีย แก่ออกบวกมีนี้ควรมีเนี่ยปากออกบวกมีนีวมีเนียกาออกบวกกาออกบวกโถโถนี้อันนตามไม่คิดตู้หูไม่คิดตู้ดันไม่คิดตู้หลงมาได้เลยละตาไม่คิดเราหูไม่คิดเราดันไม่คิดเราปากไม่คิดเรากายไม่คิดเราใจไม่คิดเราใจเราเสียใจเสียพุทธเจ้าวะ อลห์ซามาซัมรูทัวพัควาพัควากฎผู้เกิดข้อนคำพัควาที่อยู่ข้อนคำพัควาที่เป็นแฝงคำละอะไรละลูกละลุทนาละสัญญาละตังขามละลิงหันละลูกละหลานละลุนละโธสัละมูหะละทชุติ ละแล้วส่งนว่าอรหังสมาสมธโิโทโพธโทรกระแปลพล้นพ้นจากรูกพ้นจากลิทนาพ้นจากแสญยาโพนจากสังขานเช่นจากวิญญาณใจเข้าเน้อผามเมื่อใจมีโพธิโทนะแล้ท่านไม่มาแม่งึงิงไม่ว่าผู้ตายแต่ขันเขาไม่เป็นอะไรดอกอยามไม่ยิงไปบวชเป็นนางที่ทูนีขันก็เป็นไม่ยิงจนตาย ใจเรืยกพุทโธโธสาวจะหมวยเป็นพารหันขันก็เป็นผู้ตายใจเป็นผู้โธเศรษฐน้อมพุทโธทอย่าเข้าใจข้องหาผู้ดีเจ้านะเศรษใจของเราให้เป็นพระพุทโธเศรษใจของเราให้เป็นพระสัโมูเศรษใจของเราเป็นพระสังโฆถ้าใจหนึ่พุทโธมันเป็นใจคลายตายอยู่ในโลกนี้แล้ว ใจโมเมท่าโมเป็นใจมา้าตายในโลกมันเขาโคมน่ละใจโมเมัโคเป็นใจแมวมันเป็นอย่างนีละเราไม่ใช่มา้าไม่ใช่แมวนะพ่อของเราก็ถือประพุทธแม่ของเราก็ถือประพุทธพ่อของเราก็ถือพระธรรมแม่ของเราก็ถือประธรรมเราเป็นโลกประพุทธโลกระธรรมวุ่นวายก็พุ ตากรพุทธหูกระพุจมูกกรพุทธตากรพุทตากระพุทธใจนี้เป็นพระพดทธเจาเป็นพระธรรมล่าโลกก็พระธรรมเที Hol ่หน้าก็พระธรรมชั้นาก็พระธรรมังขามก็พระธรรมเลียนตาก็พระธรรมเลงยนหูก็พระธรรมเลียนจมูกก็พระธรร ตาตาจะมรรมใจนี่เนื้อละจะทำขึ้นใจน่ะถ้าสงเล่าก็สะสมเลชนะก็ระสมชนะก็ระสมทังขามก็สะสมดวงงาตาก็สะสมจะไปที่ไหนก็อาแต่งเงาตาคือสงน่ะวงาหูก็ะสมดวงงาจมูกก็สะสมดวงงาตาก็สะส์ ดิ้นแสบตลอดทุกข์ตลอดทุกข์ทนนั่งทัพุกข์ตลอกข์ใจดวงเดียวมะท่าธรรมนัติตลอใจดวงเดียวมีละท่าสังขารตลอดใจดวงเดียวมีละธรรมะศาสนาตัวส่วนนะเที่สังโลกบาสมุสุโคเทสังเทสังโลกกอดตายลุทนากอดตายขั้นากอดตาย จังขก็ตายร่างก็ตายตาก็ตายหวก็ตายังก็ตายตาต่อตายหัใจก็แตกใจไม่ตกหรอกมันตไหนใจอ่ะ้าใจมีุกโธเลี้ยสรมะสุตตโพใจมีธรรมโมเลี้ยงเศรรรมทิพน ใจมีเชโคภานาคามักนเฝนภาโสดามักม ah. ีสน์เรตกเป็นฌานที่หนึ่งนิจานเป็นฌานที่สองสุสที่สามโชคสอีกตาห้าอันนี้ว่โทโธเป็นมักโทษโธ่เป็นฝนภาโสดามักกับโทโธเป็นมักภาโสดาฝนก็เป็นผล สัตว์แต่ฆ่มีการสืบยุทางเป็นการที่หนึ่งเต๋อเตอที่สองกกะเต๋ตาที่สามท์โมเป็นมัดทำโมเป็นผลพระนาคามัดมีทางสามซื้อจือเป็นชาที่หนึ่งชกที่สองนแค่ตึตาที่สทั้งโคเป็นมัดทังคมนผลเึงอริยาบุคคลมีเศษเจริญพระอรหันต์ท่านมีพระโถทำโมทั้งโครด้ โอเป็นกิจงานโอเพ้นมอุทานนั่งอยู่ในนิพพานนอน่ในนิพพานนิพพานในใจในใจเมื่อถอมอุปทานในใจเป็นนิพพานเมื่อนัอาัร์จึงไม่มีพระเถรสมทั้งโคกพอแล้วโอเป็นกิจงานเผอจากโลกเผอจากลธนาเผอจากลัทธาเผอจากขานเผยจากวิงานเป็พะนิพพานเมื่อเป็นิพพานน่ะ ชาติธมูชาติเกิดของจกิดไม่มีสราธ ม, มูไม่มีแกพยาธิความเกิดไม่มีมรณนะความตายไม่มีตัวตายมีตัวขันห้าตัวไม่ตายตัวเกิดตัวไม่งอแงก็ตัวตายนี่และตัวเต้ขั้นลูกปลาสมุทรโศกเถินจุกเถินจุกแล้วเข้าไม่กินนัางไม่กินย้าไม่โตกแม่ไม่เชื่อนอมเธลอ โลกหลางเขาก็มัดเนื้อมาดตนว่าคนตาคนยายไปไหว้พระเกลีเยื่อมิล่มันเลยเกลีดมาเจาเสือเดเถไม่ต้องพูด <c oughs> เขาให้ตุม่มเหนือหูดูแลงตาไว้ใต้คนเท่าข้มามัณนรกใต้คนเท่าข่าสวรรค์เขาให้เหงีวให้ยนน้ำตาไม่มีเขาก็อน้ำลายใส่เอากาที่ต้คนเท่าข้ขนานรก คนเข้าขึ้นนักตือให้รูกให้หลานใกล้คนเข้าพ่อสวเนเมื่อคนเช้ามีเขาเอาหมดเข้ า, ามมของเงินทองเฮือนทา ง, งาเงินเส้นเอาหมดเขาให้คนเข้าหนึ่งทุ่งสามหานช่องหอเขาน้อยเอาไม่มาทําประสาทนอนได้เอาวจาอาว้กอนสาวันจึนน้ำอบไหลออกมาถูกจมูกเขาลาคานแก่เขา พระชนเผ่าของเราถือพุทธศาสนาะถือมาแต่ปู่เจ ต, ตาสมุนโถสมนุนละลูกคือพระเจ้าโคตมากมาพากันม า, กกพ า, กกนมาเพราะคนตาคนใหญ่หนังเป็นเชิดเมื่อตายแล้วก็ยังเป็นเชิอยูล่ลูกคือพระเจ้ามาพา ก, กันมาสารพอนะอามิจาวาจารันคาลาอุปาทะว่างหนธมินู อุปบชตวาหนุรถถุษันสู ง, ง, ง, งสูงสั่งลูปาสมรสุโคตาวะด้วยมิเตศน์ขัน ค, คาลาอันวัาขันคันทั้งหลายอัอนสืบมาเป็นยุนก็ดีเป็นชายก็ดีไม่มั่นไม่เที่ยงเลืความเหงียงไปมาสังเชลยขันสารติเวี้ยนตายเลี้ยนสืดเลียนเกิดเลียนตายไม่มีที่สุดตายจากมานุษย์ ก็ไปบังเกิอเป็นเทวดาเสมอจากเทวดาก็มาเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นพทะอ่นทรอเสมจากพระอ่นก็มาเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์ก็ไปเป็ น, ททนเทพธมเสมอจากธมลมมาเป็นมนุษย์ยังไม่ตายเป็นแสงพุทธวัตรอาณาคารมาขผลซึ่งชื่อมาโชนกับเขาดิพยาน ไม น, นำมุหันว่าอามิสาวะจะสัางข้าวตาูปัตชวาจะทํานูแต่เกิดขึ้นทุกทุกสิ่ก็มีแปดทุกสิ่งเมเนี่ยมีโลกทำสิ่ก็ดับไปหายไปขึ้นไปคนเก่าตายไปคนใหม่เกิดขึ้นคนเก่าก็พวกเรานี่ยคือไม่วันเนี่ยแต่วันทุก คนเก่าอายอนิ่งไงเขาเกิดใหม่เติมตึงเทิดไงซิไที่ไหนไปสวรรค์ก็ ไ, กได้ไปพ้นอาลก็ได้เมตตาก็ได้ตารไปสวรรค์น่ะทานตะลามีทานต้นมักทานต้นผลถึงตุนมักถุนต้นผลธรรมะตุนมักธรรมะตุนผลเติมเทิดายเติก็ไปสวรรค์ไปพ้นมาลกเมตตาพลมหังเป็นทางเท่าน่านง ตเมาพหารจึงานที่สองโยสทาพริหารจึงทานที่สามอุเตขาพริหารงทนที่สี่ไปนิทานน่ะนาวโกุตระพมมานพาดนะคำโตปะการมีนิทานจะปะบเตสร้างปาสมุทโคถึงสุดไฟเผาเปเ่ามีาว่าปัญจคันชาสัห้าของหู เราจะเข้าใจว่าเป็นของเราเนาะรวมสมบัติของตาของยายไว้จากเพิ่งยังดูอะไรดูตาของเราทุกคนโชว์ซึซ่งดูหูของเราทุกคนขานึงดูจมูกดูฟ่้ดูเิ่นตาหึงดูไตแม่หนึ่งดูบริเวันี้เพิ่งยังพระมดามาไหนหรอกมดามาตายแล้ว เพื่อเส้นสิ่งที่บิดาท่านใหน้บิดาท่านตายแล้วพาองนั้นลูอนนี้ล่ะบิดารดาตายทุกอย่างตายตายใจเทดายลูโคตรโธ่โธใจของเราโค้รจากโกูปเรืนาาเน อ, าารอนยอย น, อ น, งงนตายเป็นอาการของเรืนาโคโธตา ย, ยางเรแล้วสั้มันตายเป็นอาการของสันาโคตโธ่ใจ โคกมันเป็นหลับเป็นข้างมันโคเขา่ะเป็นแค่มันอห้าหนังเท้นาป่าติ้งยาตากระเล่นก็เป็นนักเป็นไอไอเงี้นึกอเงีมาเอ้ยักคือาหลัอ๋กโถนั่งไอนันเออาณาปามัดลมพลาใส่่องแล้วก็ตายซึ่งานกายได้เอาอะไรแต่ได้โลกขันก็ไปไม่ได้เวชนะขันก็เอาไม่ได้ขันางก็เอาไม่ได้ สังคมก็ไม่ได้วิ่งงานก็ไม่ได้เมื่อทางหา้งหาของเราไม่แตกดับเนี่นะจงทำบาลามีให้เป็นผู้ภาณะบอลามีจงภากันทำานเสราา ร, ระบาลามีจงรักษาสื่อ ท, ที่รักษาใจของเราเนี่ยธรมบาลามีจงเสดพ่าทำพระโพธท์โยู่ที่ใจของข้ า, า, ร า, า, าพระธรรมโอยู่ที่ใจของข้าพระท่านคงใจ ข, ข้ า, า, นนขาเอรบาล ยาเสพติดควร่าโลกิะทำหนึ่งกันโลกินะทำเป็นว่าอาวัวชานุตา ม, มานอีตมังข้าลมุตมันตุอาณาวชานุตา ม, มานันบุคคลเกิดมาในโล ก, น, ก, ก น, น, โนี้จะทำการทำงานโดยมีโทษมีสอบปรโยชน์ทงางชาบินี้แค่หน้าได้เิดตามบุญตามกุศลสร้างพระพุทธลูกสร้างพระเจดีย์ สร้างวัฒนวา่าบทฤหัชลาเล่ลนล้านคทศศาสร์เทบอกอ ก, บอก่อถนนทำมิตทานเราเป็นพูดทำจะเต็นผู้ได้ทำบุญตักบาตรยากน้ำทำเท่าศาสนาเมื่อเราทนแล้วตาวะตาวะเหมือนเงาที่ตามตัวธรร ม, มาดาเงานั่นเรานองเงาก่อนนั่นเรานอนเงาก่อนอนพอเราไปไหนเหงาก็ไปเมื่อใจของเรา ได้ตั้งฐาณะปาเมฆใจเป็นพระธรรมทานเถระบาลเมฆใจเป็นภูมิสมทธรรมะบปลเมฆใจมีธรรมหาการโยโยอาการขันมันแตกดับไปโลกมันตายเป็นอาการของโลกฤทนาตายเป็นอาการของิทงงานาสัญญาตายเป็นอาการของสัญญาสังขารตายเปวนอาการของสังขารดวงวิญตายเป็นอาการของนิญญาห ย, ยาไปเชียวก็มัน เมื่อมีเงินมีทองเข้าของถึงมุดเอาไปก็ไ่ได้เพราตางแบนเงินไปไม่ได้เมื่อตายแล้วละเงินละทองไว้ลูกหลานเขาก็รวยไม่ต้องมอซงเงินทองเลยอักย่าง์ใจหนูร่างกายที่เราเป็นไม่ได้ศีรษอหัวงอเึ่นั้นก็เทิมมุดเอาไปก็ไม่ได้ลมมาขนทชื่อขนทังก็เท่งเอาไปก็ไม่ได้หน้าขอเล็บเทลและมือก็เทิมเอาไปก็ไมได้ ดัตาขกกระแม่าคำน้ำเพริศฮะขึ้นมุดขับไปก็ไปได้ตาโตหนังก็หึงมังสามชืนก็ชื่นฮัลุเอ็นแขนเอ็นขาเพิ่มหมดอัพชีตันกะดูกเพิ่ะดูกขาเทเกากระตาเตมโดนขึ้นมดขับออกไปตาคำนับมือเขาก็ชื่นหูคำับฟังเสียงก็ชื่นรู้ดังชอบดํมช่ก็ชื่นเล่นฉุกเฉิก็ชื่อะไรล่ะแันตาย โลกมันตายวิทนามันตายขันยามันตายตั้งฐาน ม, มันตายขันยามันตายโคโบตายแต่ถือใจอนะโคให้สดใจพเรานี่ยอยู่ในพระโา ม, ม่ให้สาวเป็นพระธรรมตั้งโคเสดใจข้ า, าวเป็นพระสงฆ์คนะแต่ว่าโกหึงทองนะนกหึ่งทอนะงจะบินแต่ได้ก็อาศัยขนเสดตั้งฐาน หากนกเงือทองหากขนสุกนงบินไม่ได้ใจไม่มีโคโขจะไปสวรรค์ก็ไ่ได้ใจบม่มีธรรมโมให้หาสวรรค์ก็ไม่ได้ใจบม่มีโคโขมีเท่านั้นเลอนั่งโชคโขพุทธสิตเลนือสวรรค์โขธรรมโมธรรมจิตธรรมโขโชคโขสทั้งสิบว่า เปิดน่องในสวรรค์หกมันตายเพราอะไรยายพุดโทยายธรรมโนตาพุทโธตาธรรมโนมันตายได้เหมนะตาพุทโธกับตาทานะตาละมีตาสีระเปละลมียายพุดโธกับยายทานะเปละลมีสีระปรลมีจังหวัดอ่านจนมักอ่านจนโผล่เข้มเชื่อบเข้นก็นไปบางเกิดขึ้น เชิญดิ้นจนพรมตามความเมียเข้าใจเรียกบรลกที่นรกรับบัวเข้าพระเจ้าบัวไหว้ไปไหนบ่ได้เอื้งนัานตั้งตั้งพระพุทธโธว่าสิใจของเราตั้งพัศมูที่ใจของเราพระทั้งโคทิ่ใจของเราเมื่อใจของเราอยู่พุกตัวมูสักครูเอื้อตั้งตัวชานะชาช้านิมิตแบบว่าที่ที่เกิดมาพระพุทธานา สันติใจโคไทยยกไทยชาติพาทลายทุงพาจังรไทรับสันตมจังรสุนทรภัทรุษาบพรักษาธรรมบูรณาา